นี่มาขึ้นมงคลที่29เลยนะจันทร์ธมนานั้นจะทัศนังเลยนะการเห็นสมณะคาว่าการเห็นสมณะ น, นี่หมายถึงการเข้าไปหาข้อแรกก่อนนะแล้วก็คือเข้าไปหาต่อไปก็การบำรุงเมื่อบำรุงแต่ก็ละลึกถึงการฟังการเห็นนัก บ, บวชทั้งหลายผู้ระงับกิเลสแล้วเพราะสมรมะหมายถึงผูก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 การเข้าไปหาท่านการไปบำรุงท่านการระลึกถึงท่านการฟังธรรมของท่านอันนี้แหละเป็นมงคลเอตัมมังคลมุตตมังานะการเห็นสมณะเมทั้งหมดท่านกล่าวว่าทัศนะโดยเทศนาอย่างต่าคือพูดแบบชั้นล่างล่า ง, างสุดอ่ะนะมันคำว่าเห็นแบบอย่างล่างล่างสุดการเห็นสมณะนั้นเพืงอทราบว่าเป็นมงคลถามว่าเพร่อเหตุไรจึงเป็นมงคลเนีย่ยนะเห็นเนี่ยนะทไมจึงเป็นมงคล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 ว่าอย่างเบญจังค้ประดิษฐ์คือกราบเนี่ยนะเมื่อการว่าย่างเบญจะเบญจังค้ประดิษฐ์ยังไม่พร้อมก็พึงประคองอัญเชลีนมั ส, สการเมื่อนอบน้อมอยังไม่พร้อมก็มีจิตผ่องใสแลดูด้วยจักสุขที่น่ารักคือดูด้วยเมตตาเนี่ยนะดูด้วยเมตตาคือเรียกว่ายังอื่นไม่พร้อมทั้งหมดดูด้วยเมตตาก็ยังมีอุปการะมากแต่ที่จริงสูงที่สุดไปกว่านั้นก็หมายถึงการบูชาด้วยวัตถุทั้งหลาย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 ฟ้าหรือต่อมจะไม่มีในจักสุนนะใครถลึงตาดูพระพุทธรูปเอาไว้ก็ระวังให้ดีของไม่เคยนะนนะถ้าถลึงตาดูผู้มีศีลทั้งหลายนี่ดูท่าจะตาเหลือกแน่ชาติหน้านนะนะแต่ไปหยีตาดูอียงข้างนึงก็ตาเหล่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรอย่างยิ่งควรมองด้วยจักสุอันเป็นที่รักเนะนะี่ยนะเพราะว่าทำให้ไม่มีโรคในจักสุตลอดหลายพันชาตินนะนะ หลายพันชาติเลยนะไม่ใช่ชาติเดียวนะจากสู่ทั้งสองก็จับผ่องใสมีสิริมีวันณะหา้าเหมือนบานประตูแก้วที่เปิดในรัตนวิมานเนี่ยนะก็เป็นตาที่สวยงามน่าดูน่าชมดูตาแล้วก็ไม่เบื่อเนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้าโทสะเป็นสมุตรฐานนะนะโอ้ยเหลือบตาเห็นครั้งเดียวก็พอละเนี่ยนะนะกลัวกลัวจริงๆเลยนะทำไมดุขนาดนั้นก็ไม่รู้บหงือนั้นก็นะ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 ในบาลีเป็นต้นว่านกฮูกตากลมอาศัยอยู่ที่เวทียกะบรรพศมาตลอดกาลยาวนานนกฮูกตัวนี้สุขแท้หนอเห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งซึ่งลุกขึ้นแต่เช้ามันทำจิตให้เลื่อมใสในตัวเราและภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมไม่ต้องไปทุกคติถึงแสนกับมันจุติจากเทวโลกอันบุญกุศลรมตักเตือนแล้วจักเป็นพระพุทธ ผู้มีอนันตญาณปรากฏนามว่าโสมนัสโสมนัสก็แปลว่าผู้มีใจดีเนี่ยนะโสมนัสสาสหก ต, ตังก็คือมีใจดีนั่นเองประกอบด้วยความเป็นผู้มีใจดีท่านก็นับว่าเป็นผู้ใจดีมากนะว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระปัจเจ้พระพุทธเจ้าท่านใจผ่องใสซึ่งต่างจากเดรัทธีทั้งหลายใช่ไหมเดรัทธีทั้งหลายเนี่ยเหมือนน้าทิ่มตาเลยแหละเวลามองเห็นทีนี้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 สมมติถ้าเขามองดูพระรัตนตรายเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นสาวกของพระองค์แล้วดูที่จิต ด, ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั่นประกาศถึงว่าคนนี้มีอัธยาศัยอย่างไรใช่ไหมเนีประกาศถึงอัตยาศัยของคนนี้เลยหรือของสัตว์ผู้นั้นว่าเขามีอัธยาศัยอย่างไรเมื่อเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะอัธยาสัยเลวๆมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ก่อนจะจุติจิตเป็นบุญตลอดนะจิตเป็นบุญฉะนั้นแสดงว่าเป็นผู้สั่งสม กุศลลจิตเอาไว้เป็นอย่างมากจึงไม่ไปสู่ทุกติตลอดแสนกลับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบุญจริงๆเป็นไปได้เพราะเข้าสังสมกุศลเนี่ยนะได้บ่อยได้มากได้ยาวและต่อเนื่องอันประเด็นที่สาคัญที่สุดถ้าเราทั้งหลายสามารถทำจิตให้เป็นกุศลได้ได้บ่อยได้ยาวได้ต่อเนื่อง ก็อย่าว่าแต่แสนกลับเลยมากกว่านั้นก็ไม่ไปสู่อาบายสำคัญที่สุดสังวรจิตรักษาจิตได้ไหมอย่างนกหูกเหล่านี้ที่เขาพ้นอาบายได้ก็เพราะว่ารักษาจิตเอาไว้เป็นอย่างดีคิดดูนะขนาดเห็นแล้วอโทสะยังเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือเมตตามองด้วยจิตอันเป็นที่รักหวังประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกเห็นเีย น, นเคยไหมหลายคนเนี่ยมองเห็นใครก็บอกขอให้เขาทั้งหลายได้รับประโยชน์เีย น, น เรียว่ายื่นประโยชน์ให้ด้วยสายตาเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นการเจริญเมตตามโนกรรมนะเมตตามโนกรรมอนนันก็พยายามที่ฝึกเจริญอย่างนี้ไว้บ่อยๆมาใช่ว่าถ้าไม่ฝึกเจริญนะไปเห็นพระอริยนึกโกรธลูกโกรธเมียอยู่ข้างๆพอดีเลยนะเห็นพระมาผานโกรธส่งต่ออกีกน่นะถามว่ามีไหมในพระไตรปิฎกมีอ น, น, นก็มีเรื่องอน น, นอดีตชาติของของใครของ โชติกะเอ้ยขอไปของอะไรชตรละใช่ไหมของชตรละที่ผมก็เซิงไปหมดอ่ะก็คืออดีตชาติเนี่ยเขาวันหนึ่งพระองค์ดับขันปรินิพานแล้วก็เขามีการจะสร้างเจดีทองของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโน่นนะไอเศรษฐีคนนี้เป็นนายช่างทองร่ำรวยทองกันเยอะมากวันนั้นกาลังทะเลาะ ก, กับเมียอยู่พอดีอ่ะนะ ก็มีพระภิกษุเนี่ยมาบอกว่าท่านเศรษฐีท่านช่วยเป็นเจ้าภาพเนี่ยสร้างเจดีย์สักซุ้มหนึ่งนะนั้นนี่ก็เศรษฐีนี่กําลังโกรธเมียพอดีก็เลยผ่านโกรธถึงพระไปด้วยก็บอกโน่นเอาพระธาตุของท่านไปโยนลงน้ําไปว่า ง, งั้นนั่นน่ะปากน้อปากว่า ง, งั้นแต่ก็เลยแม่บ้านก็เลยเตือนว่านี่นะโกรธแต่ฉันทําไมต้องไปว่าพระพุทธเจ้าด้วยนีย่นะเศรษฐีก็ได้สติก็เลยขอขมาพระรัตนตรยัย แต่ว่ า, าด้วยกรรมที่บอกไปโยน์ลงน้ําเนี่ยนะแกก็จับลอยน้ําถูกจับลอยน้ําหลายชาติเรื่อนด้วยกรรมมันั้นขนาดขอเข้ามาพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยนะถ้าจะว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวจริงๆถ้าเผลอไปเป็นบาปเป็นอกุศลอะไรจะเกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตเป็นไปกับกุศลเนี่ยนะจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อได้เห็นสมณะเห็นพระริยะทั้งหลายเราก็จะไม่ยังจิตให้คิด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 ท่านสงบราคะเพราะสมถะท่านสงบโทสะเพราะศีลท่านสงบโมหะเพรา ะ, ระวิปัสสนาสเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมถะวิปัสสนาเป็นผู้ที่อบรมกายวาจาจิตและปัญญาผู้ที่อบรมคุณธรรมเหล่านี้ <c oughs> เมื่อท่านพูดให้เราฟังคําพูดเหล่านั้นก็มีประโยชน์โดยส่วนเดียวแก่ผู้ที่ไปปฏิบัติตามนั่นนะ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 อันที่ยริงการเห็นสมณะในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเหตุใกล้ที่จะทําให้รับมงคลอย่างอื่นๆอีกเป็นอันมากเนี่ย น, น, นี่ก็ขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะกาเลนะธรรมสากัชา้าเอตัมมังคามุตต ม, มังการสนทนาธรรมตามการก็เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญในเวลาพลบคล่าในเวลาย่ํารุ่งก็เรียกว่า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 สนทนาธรรมตามการเนี่ยนะเพนะราว่าได้เวลาที่ควรจะสนทนาการเพื่อกําจัดนิวร์นั่นเองนะโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อกําจัดนิวรนท่านการสนทนาธรรมกันบ่อยๆนิวรนก็ไม่กลุ่มรุมนะนั้นการสนทนาธรรมตามการเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งคุณทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมคือนิกายทั้งห้า เป็นต้นนั่นและอันใครที่หมั่นสอบถามตั้งปัญหาเป็นตั้งโจทย์เป็นอยู่ในวิจญยหาระนะรู้จักปุชชารู้จักวิสัชนาในบทในในปัญหาในพยัญชนะเหล่านั้นเขาจะแตกฉานในพระไตรปิฎกนะผู้ที่เป็นพระวินัยทรถ้ามีการสอบถามการวินิจฉัยการไข้ครวญพระวินัยบ่อยๆก็จะแตกฉานในเรื่องพระวินยัยผู้ที่ศึกษา และก็ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ามันสนทนากันบ่อยๆมันสอบถามกันบ่อยๆสอบถามเทียบเคียงกันบ่อยๆก็เป็นเหตุแห่งปัญญาแต่ไม่ใช่ว่างโง่เท่ากันแล้วก็มาคุยกั น, กมกนไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไหร่เดี๋ยวนะอีกคนก็สงสัยก็ไปคุยไปถามไอ้คนที่สงสัยต่อไปอี ก, ก น, นะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะปกตินะถ้าคนตาบอดสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะสว่างขึ้นไหม ไม่สว่างเพราะฉะนั้นก็คนที่จะจะคุยด้วยนะั้นเลือกซะหน่อยนะจะดีมากเลยนะไม่ใช่เห็นว่าโอ้สนทนาทำตามการก็ไปเที่ยวสนทนาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวจะจะได้ดีกลับมาและวนะนะนะไอ้ดีที่ไม่ดีอนะ่ะนะฉะนั้นก็การสนทนาเนี่ยนะก็หาเลือกคู่สนทนาให้ดีๆหน่อยนะถ้าไปเจอผิดคู่แล้วจะลําบากกลับมานะ่น <c> ะ <oughs> แทนที่จะฉลาดขึ้นคุยกันไปคุยกันมาเลิกเรียนดีกวา่าเนาะเราว่างั้นนะนะ่ะ เสียหายมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็คู่สนทนานี้ก็ น, นะก็ระวังให้ดีๆหน่อยคุณหมอว่าลบนี่เป็นผู้ที่ชวนสนทนาบ่อยมากเนี่ยนะนะในโรงพยาบาลคุณหมอเล่าให้ฟังอย่างนั้นคุณหมอมีหลักยังไงที่ว่าใครจะควรสนทนานด้วยหรือไม่ควรด้วยเนี่ยนะนะก็แชร์เล่าให้คนอื่นฟังบ้าง ไ ด, นนะได้ยินนะครับออขออนุ ญ, ญาตนะครับใ น, ในจริงจริงในโรงพยาบาลเนี่ยที่ผมสนทนามากตอนตอนเช้าก็สวมดมนันครับถ้าถ้าถ้าสนสนมากก็สวมดมน์อันนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าสนทนากับคนอื่นเนี่ยก็ก็มีหลายเรื่องมิฉาวาจา ก, ก็มากนะครับแต่ว่าโดยโดยมากแล้วเนี่ยถ้าหากว่า ในในบางเรื่องเนี่ยผมจะเว้นเลยไม่ไม่พูดด้วยเลยอย่างเช่นว่ามีอาจารย์บางทีก็มีอาจารย์ที่ว่ากเกษียณแล้วมาทำงานเนี่ยเพิอเอ่อเป็นอาจารย์ผมอยู่ด้วยในในโรงพยาบาลเนี่ยทีนี้ท่านบางเรื่องเนี่ยท่านอุเฉตทิฏฐิทีนี้ถ้าถ้าเราไปนั่งในที่นั้นเนี่ยเราก็ไม่เคารพพระธรรมนี้เราไม่ไปนั่งในที่นั้นเนื่องจากว่าท่านก็ชวนลุกสิทธิ์อะไรต่ออะไรไปทานข้าวด้วยเย็นด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเราเราเไ ม, ไม่ไม่ไปนั่งกับท่านก็เหมือนไม่เคารพท่านอันนี้เป็นเหตุเลยที่ว่าผมเลยเลิกทานข้าวเย็นเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะเคารพต้องเลือกอย่างหนึง่ง ก, ก็เลยสมาทานว่าไม่จะพยายามนนอะไปที่ไม่ถานข้าวเย็นจะได้แก้ตัวท่านได้ ม, มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีผู้ใหญ่มาเนี่ย เราก็ไม่ไม่อยากไปพูดด้วยเลยเพราะเขาพูดเรื่องเดรัฉานกระถาเป็นมากกระถาวัตถุสิศีลเนี่ยไม่เห็นอธิบดีไหนพูดเลยเพราะฉนั้นเราพอพอก็อเห็นประโยชน์มากเพราะว่าพอเราไม่ทานเนี่ยเราก็พูดได้บอกว่าเออเนี่ยเราก็ไม่ทานเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เราไปเนี่ยคนอื่นทานกันหมดแล้วเราไม่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เราอยู่ไปมีความสุขเลยคนอื่นเขาก็เห็นใจเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเกิดว่าใครจะมาบังคับให้ผมไปเนี่ยผมก็อาจจะพูดเรื่องของผมฝ่ายเดียวเช่นผมอาจจะพูดว่าสัตว์ที่ตายในเวลาเช้าก็มีสัตว์ที่ตายในเวลาสายก็มีตายในเ ว, เวลาเที่ยงมผมจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเขาจะให้ผมกลับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมไม่เห็นใจยจิ่งเลยบางทีใครได้ลูกน้องแบบผมเนี่ยต้องลาบากมากเหมือนกันเพราะว่าบางทีให้ไปทำอะไรก็ไม่ทา ขอบคุณครับก็แสดงว่าต้องเป็นผู้มีประโยค่ค่อนข้างสูงมากเลยนะว่าจะเลือกเอาธรรมหรือจะเลือกเอาอะไรถ้าหากว่าเราไปคลุกคลีไปเกี่ยวข้องกับคนบางคนแทนที่จะสัมมาวาจาใช่ไหมกว่ากาเลนะธรรมะสาไม่ใช่กัดฉาและนะมันจะเป็นกาเลนะสนทนามิจฉาทิฐิกันนะนีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมาก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 ชาเชิงเซาบางคนนั่นนะบางคนก็มาจากประจีนบางคนก็มาจากโคราชบางคนก็มาจากสุรินทร์นั่นนะบานมาจากอีสานก็หลายแถบก็คือสรุปว่ามากันทุกภาคนีมารวมตัวกันขนาดนี้เชื่อไหมคนเหล่านี้เนี่ยหาเพื่อนในทางทำค่อนข้างยากนันะนั่นคุณเพียนสองเพียนเขาคุยกันว่านี่เราจะไปหาพวกยังไงมาร่วมสนทนากันอย่างนี้ได้อีกกรับวันก็ลองไปหาดูเถอะนั่นเผื่อจะเจอบ้างนะ่นนะ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 ขันติก็ต้องสําคัญมากอย่างหนึ่งนะและก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือพยายามหาวิธีเจริญกุศลอื่นๆที่เรียกว่าใช้การสนทนาให้น้อยลงเนี่ยนะหาวิธีการเจริญพระธรรมโดยสนทนาให้น้อยลงเพราะว่าการสนทนาแต่ละครั้งเนี่ยนะการพูดไม่ดีเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นบาป น, นะถ้าเราคุยไม่ดีเนี่ยนะเป็นการเหมือนกับยื่นไปให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ทำร้ายพระธรรมมากขึ้นขนาดนั้นอันนี้เป็นยังไงผู้การถ้าหากว่าไปพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเบียดเบียนพระธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นอย่างไรคือไม่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเอ่อก็จะเป็นวิธีทุจริตนะครับนะถ้ากับแทนที่จะประโยชน์ให้เขาเขเอาโทษไปให้เขานี่นะผู้ที่ไม่มีศรัทธาอย่าเอาเรื่องศรัทธาไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยนะคนไม่ใจเข้าใจในเรื่องปัญญาก็เอาไม่ต้องเอาเรื่องปัญญาไปพูดนะ คงจะต้องเลือกมากๆทีเดียวอืมถ้าเขาทานก็ต้องพูดเรื่องทานอย่างเดียวเลยเพื่อพูดถึงว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วเราอยากจะสงเคราะห์ผู้อื่นนะอยากจะแนะนําผู้อื่นว่ามีหลายท่านทีเดียวในที่นี้นะก็อยากจะแนะนำเพราะว่าคนรักกันใช่ไหมคนชอบกันรักกันคุ้นเคยกันเนี่ยก็อดที่จะไปเผื่อแผ่ไม่ได้แต่พอไปเผื่อแผ่แล้วเขากลับกลับไปให้โทษเขาก็มีนะ ต้พองเราหวังมากๆเลยตน ม, มีหลักการยังไงครับเออะย่างยังยังลูกผมเนี่ยนะฮะผมก็อาศัยนั่งขับรถไปกิการแล้วก็พูดธรรมะนี่นะดูจังหวะเขาเขาให้ก็คุยกันนะถ้าว่าเขายังไม่อยู่ในภาวะที่จะรับนี่ก็ไม่ไม่พูดเลยเนี่นะส้พูดแล้วเขาก็บุงทีก็ไม่ฟัง วุ่นยาวกยาวเหมือกันครับไม่ใช่ง่ายเลยนะและก็การที่ผู้ใดจะสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการไปแนะนําไปสนทนาเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวาจีประโยคะต้องดีเยี่ยมเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้พระองค์ตรัสว่าอะไรกาละนะกาเลนธรรมสากัดช้าถ้าจะสนทนาก็ต้องดูการถ้าเราไม่ดูการเนี่ยนะเราก็ไปประทุสร้ายเขา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 คนที่เสียมิตรไปมากๆส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะเที่ยวชักชวนคนอื่นแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามชักชวนนะแต่ว่าให้เรารู้กาละรู้เทศะรู้สถานที่เพราะสิ่งนี้เป็นสัพปริสธรรมเนียนะกาลันยูบุคคลเราก็ต้องรู้จักการซึ่งนับว่าสำคัญมากนะนะ่ยการกลางโฉนดนะเียนลโฉนดเก่าแก่มากเลยสมัยร อ, อเลยเนี่ยก็มีข้อความในช่วงนี้ที่เข้ากับเรื่องนี้นะน <c oughs> ข้อความในมโนรัฐปูรณีเนี่ยจักกวัตติสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลรักษาคนอื่นด้วยวิธีอย่างไรจึงชื่อว่ารักษาตนด้วยบุคคลรักษาผู้อื่นด้วยขันติด้วยอาวิหิงสาด้วยเมตตาจิตด้วยความเอ็นดูจึงชื่อว่ารักษาตนด้วยเพราะฉะนั้นน่ยนอกจากจะไปทำร้ายคนอื่นแล้วทำร้ายตัวเองด้วยนี่ครับ ก็ทําให้เราบางทีก็หมดกําลังใจเลยใช่ไหมท้อแท้อันที่จริงส่วนหนึ่งที่เราสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้ก็เพราะความรีบร้อนของเราก็เป็นได้หรือเราไม่ดูการละก็เป็นได้ในที่สุดเราก็ตําหนิตัวเองบ้างตําหนิผู้อื่นบ้างการประรัถึงธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะหลักการมีง่ายๆว่าต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนสองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น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 ถ้าเราไปพูดแล้วเขามีความสุขขึ้นไหมเขาสบายใจไหมเขาได้รับประโยชน์ไหมเขาปีติและโสมนัสเป็นต้นไหมอันนี้หมายถึงประโยชน์ของเขาแล้วทั้งเราทั้งเขาสำเร็จประโยชน์ไหมใกล้ชิดพระตัตนตรัยขึ้นไหมถ้าหากว่าเราวินิจฉัยในส่วนตรงนี้ไม่ดีเราอาจจะเป็นคนที่ทำพลาดแล้วก็เสียเพื่อนไปอีกคนหนึ่งก็ได้เนี่ยนะซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีอัธยาสายอยู่ แต่ว่าเราก็ไปตัดอัธยาศัยของเข้าเสียก่อนเพราะความที่เราไม่รู้อัธยาศัยเนี่ยนะั้นตาบอดจูงตาบอดนี่ก็ลำบากจริงๆงเนี่ยนะแล้วก็ที่ผ่านมาในคาถาขันตีจะโสวจัสตาสมนานจะทัศนังกาเลนะธรรมส า, ากัดช้าเอตมังคามุตตมังเนี่ยนะก็ผ่านไปอีกสมงคลคน่นะี่มงคลทีนี้มาขึ้นมงคลที่30ตะโป อันนะั้นสมสบเอ็ดนะเมื่อกี้เนี่ยสาสิบแล้วนี้ขึ้นมงคลที่สามสิบเอ็ดว่าตะโตจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานาสัจฉิกิริยาเอตมังขลมุตตะมังตาบะตาบะก่อนเลยนะว่าอินทรีสังวรชื่อว่าตาบะในที่นี้เพราะคำว่าตาบะหมายถึงว่าเผาบาปประธรรมนะโตะโปตโปหรือตาบะในที่นี้หมายถึงเผาบาปประรมเป็นชื่อของ อินทรีย์สังวรเพราะเผาอภิชาและโทมณตเป็นต้นอันนะคำว่าตบะมีสองในนะอีกในหนึ่งวิริยะชื่อว่าตบะหรือความเพียรชื่อว่าตบะเพราะนั่นคำว่าตะโบเนี่ยนะตบะตัวนี้นี่มีสองในในแรกหมายถึงอินทรีย์สังวรก็คืออินทรีย์สังวรศีเน่ยนะเป็นชื่อของสตินั่นเองอันนะสติที่ที่เกิดขึ้นสังวรไม่ให้อภิชากับโทมัตไหลผ่านมา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 มงคลข้ออินทรีย์สังวรเนี่ยนะชื่อว่าเป็นมงคลนั้นก็ผู้การนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในคำว่าอินทรีย์สังวรมากไม่รู้ว่าศรัทธาย่างไรผู้การสำคัญแค่ไหนอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเอ่อเื่องอินทรีย์สังวรนี่นะฮะเอ่อเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานทีเดียวนะฮะเรื่องอินทรีย์สังวรเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอินทรีย์สังวรนะ เออก็จะสุดจิตสามก็ไม่มีนะะแล้วก็การที่จะไปเจริญธรรมะชั้นสูงสี่ปัะธานหรือว่าโพชทธชงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะอินทรียสังวรนี่ท่านให้ให้ให้ใหความสําคัญมากๆเลยนะถ้าผู้ใด ย, ยังไม่เริ่มต้นในอินทรียสังวรใครไม่รู้จักอินทรีสังวรนี่นะครับผูดนั้นจะไม่มีทางที่จะเป็นสุดจิตสามได้เลยนะอินทรียสังวรเนี่ย <c oughs> เอ่อเพื่อเป็นการที่จะทําให้เป็นมโนสุดจิตได้ก็เพราะว่าอินทรียสังวรเนี่ยครับนะ สิ่สสังวรทั้งบอล ท, ทางทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับเพื่อสังวรเนี่ยไม่ให้บาปอากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเพราะว่า เ, าเราเนี่ยนะจะถูกจโจรปล้อนอยู่เรื่อยนะฮะท่านว่าอารมณ์ภายนอกเนี่ยนะฮะเมื่อเข้ามากระทบกับกับกับาาาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกิดอกุศล น, น่ ทุกแทบทุกครั้งไปนะถ้าเราไม่มีเราไม่รู้จักสังวร น, นะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้จักสังวร น, นะฮะไม่ปล่อยให้จักขุนศีไปในรูปทั้งหลายนะท่านกล่าวไว้ในในอร